ผู้ป่วยขาดศรัทธาและกลัวตายจะทำโดยเลินพิษพระโพแม้แต่ผู้สูงอายุที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากยังกลัวความตายยังอลไยอาวร อ, อะไรอะไรในโลกอยู่และผู้ป่วยหนักที่อายุยังน้อยละ หากต้องมาจบชีวิตไปเสียก่อนจะได้วิ่งไล่คว้าฝันต่างๆนาน า, นาให้สมใจจะทุรนทุรายอยากดิ้นรนหนีความตายกว่าผู้สูงอายุสักกี่สิบกี่ร้อยเท่าไม่น่าแปลกใจหากจะได้เห็นผู้ป่วยหนักที่อายุยังน้อยหรือยังไม่ถึงวัยอันควรจะอาละวาดแสดงอาการโมโหร้ายเหมือนจะเป็นโรคประสาทคุณควรจับจังหวะดีๆเอาตอนที่อารมณ์สงบ คุยกันรู้เรื่องค่อยๆพูดไปตามลำดับอาจจะต้องใช้เวลาหลายครั้งหลายแงยม่มุมกว่าที่เขาจะยอมเผชิญหน้าการด่วนจากไปแรกๆอาจเริ่มจากจุดที่ชวนให้เขาเลิกคิดว่านี่คือจุดจบเพราะสิ่งที่รบกวนผู้ป่วยอายุน้อยมากที่สุดเห็นจะไม่มีสิ่งใดเกินไปกว่าความเสียดายโอกาสเป็นหนุ่มสาวและเป็นผู้ใหญ่กว่านั้น ไงพระเอกวันนี้ดูหน้าตาดีนะไม่ดีหรอกพี่ผมรู้ตัวโสมจะตายก็ดีกว่าวันที่แกงุน ง, งิดแล้วกันพี่ผมอยากเล่นทีมชาติให้ได้อย่างพี่จริงๆนะจะได้จังถ้าหากไม่ได้เล่นเพราะฝีมือห่วยก็ว่าไปอย่างแต่เนี่ยไม่มีแม้แต่โอกาสที่สูดฝีมือเอ้ยเป็นทีมชาติยังไงก็ไม่ใช่เทวดานะแต่แกนะ่ะที่กำลังจะเป็น พี่ก็พูดอะไรเทวดงเทวดาสมัยเนี้ยังมีอยู่อีกเหรอแกก็อย่าพึ่งขำไปสมัยเนี้หรือสมัยไหนเนี่ยถ้ามีก็คือมีอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้านะ่ะพี่เชื่อเรื่องพวกนี้จริงๆเหรอฮะไม่รู้นะว่าจะเอาอะไรวัดเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เพิ่งไปอ่านเรื่องของคนตายแล้วฟื้นมาเนี่ยมันก็เพ้อไปเองกันทั้งนั้นแหละแกรู้ได้ไงว่าเพ้อไปเอง ฟังกีธีมันก็ไม่น่าเชื่อน่ะเหมือนชาวบ้านฝันไปแล้วตื่นขึ้นมาเล่าสู่กันฟังหาอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้เลยเออมันก็มีอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันนั่นแหละอยากจะฟังไหมละ่ะใครตายแล้วฟื้นอีกละ่ะรายเนี้ยไม่ใช่ต ศ, ศาสตรที่ไหนนะแต่เป็นถึงศัลยแพทย์ประสาทได้ชื่อว่ารู้จักการทํางานของสมองดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยคนเก่งมากเนี่ยมักจะเพี้ยนไม่ใช่หรอพี่ ไม่เก่งก็เพียนได้นะก็แกจะเอาอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เหรอหนาทีเนี้ยน้ำหนักคำพูดแบบวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเนี่ยคงไม่มีใครเกินไปกว่าหมอที่จบจากบอสตันทำงานทางศัลยกรรมประสาทที่ฮาวาดเป็น10ปีผ่าตัดสมองคนไข้หลายพันรายอย่างหมอคนนี้อีกแล้วที่น่าสนใจก็คือเขาเคยเป็นพวกเชื่อแบบสุดลิ่มทิ่มประตูว่าประสบการณ์ทางจิตของคนตายแลฟื้นทั้งหมดเนี่ย คือเรื่องของเคมีในสมองแล้วก็คัดค้านหัวชนฝามาตลอดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังความตายใครเหรอพี่ชื่ออ e นะีแวนอเล็กซานเดอร์น่ะแล้วดังหรือเปล่าเดินสายพูดทั่วโลกเลยตอนเนี้ยเห็นประกาศว่าจะอุทิศชีวิตเดือนหน้าเปิดโปงเรื่องราวหลังความตายเพราะมีค่ากับคนในโลกเป็นล้านเป็นประโยชน์มากกว่าการรักษาคนไข้ไม่กี่คนอย่างเทียบไม่ติดคิดดูแล้วกัน หมอผ่าตัดสมองที่ตายแล้วฟื้นด้วยตัวเองน่ะพูดที่ไหนไกลก็อยากฟังว่ากันว่าการตายแล้วฟื้นของเขาเนี่ยกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการศึกษาชีวิตหลังความตายเลยเชียวขอยืมโทรศัพท์มาดูรูปจังเล่นหน่อยสิพี่โอ้หน้าตาป่ามากเลยเนี่ยเขาตายงไงล่ะพี่เห็นว่าสมองถูกเล่นงานด้วยแบคทีเรียบางชนิดน่ะประเภทเจอได้ยากด้วยแต่ละปีโดนกันแค่หนึ่งในสิบล้าน แบคทีเรียที่ว่าเนี่ยจะทำให้ส่วนควบคุมความรู้สึกและความนึกคิดปิดการทำงานลงอย่างสิ้นเชิงอีเบนนอนโคม่าอยู่อาทิตย์หนึง่งก่อนที่จู่ๆ จ, จะฟื้นขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือของปฏิหารไม่ใช่เครื่องมือแพทย์และจริงๆทางโรงพยาบาลก็กำลังจะขอให้ญาติตัดใจถอดเครื่องช่วยพยุงชีวิตอยู่แล้วด้วยซ้าเอางั้นเลยนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือในเมื่อนักวิทยาศาสตร์ยึดกันมาตลอดว่าจิตคือสมอง การทำงานของสมองคือจิตทีนี้นเมื่อสมองส่วนที่ใช้ในการนึกคิดตลอดจนอารมณ์สุขทุกข์มันปิดการทำงานทำไมเขายังเกิดประสบการณ์ทางจิตได้อยู่ทำไมเขาไปรู้เห็นเรื่องราวชีวิตหลังความตายได้อีกงั้นแปลว่าจิตไม่ใช่สมองเหรอคืออย่างนี้นะหลักฐานทางการแพทย์เนี่ยบอกว่าสมองไม่ทำงานในส่วนรู้สึกนึกคิดแต่เขายังรู้สึกนึกคิดได้ก็แปลว่า จิตไม่ขึ้นอยู่กับสมองแน่ๆแล้วนี่คือความคิดใหม่ของฝ่ายเชื่อนะแบบว่านะพี่มันโมกันได้ไม่ใช่เหรอแกอาจจะไม่เจออะไรเลยก็ได้แต่ไหนๆก็ฟื้นจากโคม่าแล้วเห็นท่าว่าดังแน่ถ้าบอกว่าไปเจอสวรรค์มาเลยพูดเป็นตุเป็นตะเหมือนคนเราหลับไปนะ่ะเติรนขึ้นมาจะบอกว่าฝันอะไรก็ได้แกก็โดนด่าว่าเป็นเรื่องลวงโลกเยอะเหมือนกันนะ และช่วงแรกๆก็มีนักประสาทวิทยาออกมาวิจาร์อย่างรุนแรงว่าต่อให้อีเบนไม่ได้โกหกสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันก็แค่การกลับมาทำงานของสมองหลังพ้นจากภาวะโคม่าเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือพ้พนจากโคม่าก็ฝันไปฝันเสร็จถึงค่อยตื่นและทึกทักว่าความฝันเนี่ยคือสิ่งที่ไปเจอมาจริงๆระหว่างอยู่ในโคม่ารวมทั้งหมด6วันนั่นไง ผมก็คิดอย่างนั้นแหละแต่เรื่องที่ฝ่ายต่อต้านถิงไม่ออกก็มีอยู่นะแบคทีเรียที่ท่วมสมองของหมออีเบนอยู่เนี่ยเป็นชนิดที่หยุดการทำงานของสมองเกี่ยวกับการเห็นการได้ยินอารมณ์ความทรงจําการใช้ภาษาการใช้ตรกะซึ่งการหยุดทำงานเหล่านี้มีหลักฐานการตรวจสอบสมองอยู่คือถ้าไม่เชื่อเรื่องที่หมออีเบนเล่าเรื่องหลังความตายยังไงก็ต้องเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั่นคือ เขาลืมตาขึ้นมาจากโคมา่ายังไม่สมเหตุสมผลเพราะทางการแพทย์วินิจฉัยว่าเขาตายแน่แล้วถึงขนาดที่ทางโรงพยาบาลกำลังปรึกษากับภรรยาของเขาว่าจะถอดเครื่องช่วยดีไหมแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าระหว่างโคม่าได้ไปเห็นอะไรมามั่งละพี่ก็มิติที่แตกต่างไปโลกใหม่ที่แปลกไปจากนี้อย่างสิ้นเชิงเป็นสถานที่ที่สวยที่สุดเท่าที่คนรวยบนโลกอย่างเขาเคยเห็นมา ทั้งมีชีวิตชีวาทั้งหน้าตลึงหลงแต่ฉันว่าที่น่าสนใจกว่าอะไรก็คือที่นั่นมีหญิงงามด้วยว่ามันจะเหมือนที่เห็นในหนังหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวนี้หนังฮอลลีวูดทาฉากสวรรค์ออกมาสวยๆจนดูซะเบื่อละนึกไม่ออกเลยว่ามันจะสวยกว่าในหนังได้ยังไงแล้วเรื่องเล่าเกี่ยวกับสวรรค์เนี่ยนะฟังกีธทีก็ไม่เห็นสะ g e เลยว่าเขาอยู่กันยังไงทาอะไรกันบ้างก็เท่าที่ฟังมานะ สวรรค์เป็นสถานที่ตกรางวัลของคนสะสมบุญไว้เยอะก็คงเหมือนแกไปเที่ยวเห็นภูเขาเห็นทะเลและที่สำคัญหญิงงามไม่อัน้นผมว่านะพี่ต่อให้มีคนตายแล้วฟื้นมาเล่าอีกกี่หมื่นคนในที่สุดมันก็กลายเป็นแค่เรื่องเขาเล่าว่าอยู่ดีเราฟังฟังแล้วไม่ได้ประสบด้วยตัวเองจะเอาอะไรไปเชื่อล่ะถ้ามันนอนตายให้ดูฟื้นให้ดูต่อหน้าต่อตาก็ว่าไปอย่าง ไม่งั้นฟังห่างๆแล้วด่วนเชื่อเนี่ยอดรู้สึกไม่ได้นะว่าเป็นหมูให้เขาต้มเออไม่รู้เหมือนกันฉันก็แค่เล่าๆให้ฟังที่เพิ่งอ่านมาเท่านั้นนะ่ะเรื่องพวกเนี้ยพออ่านมากๆฟังมากๆแล้วก็อินเหมือนกันนะแกแต่แกเนี่ยได้เปรียบฉันตรงที่แกกำลังจะได้รู้ด้วยตัวเองว่ามีอะไรสวยๆงามๆรออยู่บ้างหรือเปล่าผมไม่อยากไปดูอ่ะไม่อยากไปรู้ไม่อยากไปเจอนางฟ้าบนสวรรค์ แต่อยากฟันหญิงบนโลกอยากมีชีวิตอยู่ต่ออยากทำอะไรที่ไม่อยากทำมากกว่าเอาอะอยากอยู่ต่อเดี๋ยวจะบอกให้หมอจัดให้จะเย็นๆของแบบเนี้ยต่อรองกันได้ถึงแม้คุยเรื่องชาติหน้าแล้วผู้ป่วยจะทำท่าเหมือนไม่เชื่อแต่ขอให้ทราบถึดว่าเขาจะเก็บไปคิดเพราะความรู้สึกของคนใกล้ตายนั้น แตกต่างกันมากกับความรู้สึกของคนที่มีสิทธิ์อยู่ได้อีกนานธรรมดาปุถุชนจะคิดถึงและคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตของตนเสมอแต่เมื่อไม่อาจคิดถึงและคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตในชาตินี้แล้วก็มีทางเดียวคือต้องคิดถึงและคาดหวังเกี่ยวกับอนาคตในชาติหน้าดังนั้นเมื่อเขาชวนคุยขึ้นมาเองในโอกาสต่อไป คุณค่อยพูดเรื่องเหตุผลของการได้ที่เกิดแตกต่างกันพี่ถ้าไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงก็หมดสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ใช่หรือเปล่าเท่าที่รู้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วไปไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอยากไปไหนไม่ได้ขึ้นกับว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนโกสวรรค์มีจริงแต่ละคนเนี่ยสะสมบุญหรือสั่งสมบาปมา ก็ต้องไปรับผลตามนั้นบุญหนักกว่าบาปก็ไปสุขคติบาปหนักกว่าบุญก็ไปทุกขติง่ายๆแค่เนี้ยชาติเนี้ยผมไม่เคยได้ไปวัดทาบุญอย่างนี้ก็อดชั่วแล้วใช่ไหมบุญไม่ได้อยู่ที่วัดบุญอยู่ที่ใจอยู่ที่ปากอยู่ที่มือไม้ของแกนี่แหละใจคิดดีอยากช่วยคนไม่อยากนึกเบียดเบียนใครแค่เนี้ยก็เป็นบุญแล้ว าพูดให้คนฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกมีกำลังใจแค่ น, นี้ก็เป็นบุญแล้วฉันเห็นแกชอบเอาเศษอาหารให้หมาแมวนั่นก็เป็นบุญเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีใจคิดให้จริงๆให้สัตว์เท่าไหร่ก็หวังได้ว่ามีผลร้อยเท่าเออก็มีบุญกับเขาเหมือนกันนะเราฉันว่าแกก็ใจบุญใช้ได้นะ อย่างตอนเห็นน้องนุ่งทํากันบ้านไม่ได้ก็เข้าไปช่วยสอนอย่างนี้ก็นับว่าใจบุญแล้วหรอคิดช่วยคนอื่นน่าใจบุญแล้วแล้วทําไมผมถึงต้องตายละ่ะทั้งที่อายุยังน้อยอย่างเนี้ยผมไปทําบาปอะไรมาเหรอแกเอาอะไรมาวัดว่าอายุมากอายุน้อยแค่ไหนถึงตัดสินเรียกว่าได้เวลาสมควรตายถ้าแกไปเกิดในอัฟกานิสถานโอกาสที่แกจะตายตอนเกิดมีอยู่หนึ่งในสิบ หมายความว่าเด็กแรกเกิดสิบคนเนี่ยตายหนึ่งคนนะแต่ถ้าเกิดแถวบ้านเราแม้แต่ประเทศเทคโนโลยีจ๋าอย่างญี่ปุ่นก็ยังมีโอกาสตั้งสองใน 1,000 ถ้าถามพุดเราก็ต้องบอกว่าพวกนั้นทำกรรมแบบปิดกั้นการมีชีวิตถึงไม่ได้มีชีวิตแม้มีบุญพอจะเข้าถึงมนุษย์แล้วนี่คงแปลว่าผมไปทำให้ใครตายเร็วไวใช่ไม จะไปมัวคิดถึงบาปในอดีตที่เราลึกไม่ได้ทาไมใส่ใจนึกถึงบุญที่กำลังนึกออกบอกถูกว่าอยากทําเดีย๋ยนี้จะดีกว่าไหมก็ผมนอนอยู่เตียงเนี่ยไปไหนมาไหนต้องใช้รถเข็นจะทำบุญยังไงล่ะพี่ได้สิแต่แกต้องมีความรู้นะล้างความเชื่อในสมองเสียใหม่ที่นึกว่าทำบุญต้องหมายถึงไปที่วัดทาสังฆทานให้เสศสตางขอทานหรือต้องไปช่วยคนแก่และเด็กตามสถานสงเคราะห์ แบบนั้นเป็นบุญขั้นต้นที่เรียกว่าทานจริงๆแล้วบุญที่สูงกว่าทานยังมีคือตั้งใจรักษาศีลและบุญขั้นสูงสุดเลยก็คือตั้งใจทำสติให้เจริญแล้วความแตกต่างของบุญเนี่ยจะทำให้ต่อไปเรารับผลแตกต่างกันแค่ไหนล่ะพี่ถ้าทำทานดีๆรักษาศีลดีๆก็ไปมีความแตกต่างกันในเรื่องของผิวพรรณวันณะบนสวรรค์ แต่ถ้าอย่างแกไม่อยากตายจากความเป็นมนุษย์ใจยึดอยู่กับความเป็นมนุษย์ก็มีสิทธิ์กลับมาเข้าท้องคนใหม่หากสะสมเรื่องทานมาดีก็มีสิทธิ์คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้องแม่หากสะสมเรื่องศีลมาดีก็จะหน้าตาผิวพรรณดีมีชีวิตที่เป็นสุขคือศีลข้อหนึ่งช่วยให้อายุยืนไม่อ่อนแอขี้โรคศีลข้อสองช่วยให้ทรัพย์สินไม่พินาศ ศีลข้อสช่วยให้เจอคู่ครองที่ไม่ประทุษร้ายกันศีลข้อสี่ช่วยให้ปากคอไม่เบี้ยวบูดหน้าตาน่าไว้ใจและศีลข้อหาช่วยให้มีสติสัมปชัญญะดีไม่ฟุ้งซ่านง่ายเห็นเขาว่าต้องไปขอศีลจากพระไม่ใช่เหรอพี่ที่ต้องขอจากพระนะเพราะเขาต้องการให้ใจเราหนักแน่นมีศรัทธาเป็นที่ตั้งของศีลไง แต่ถ้าแกศรัทธาตัวเองพอตั้งใจจริงด้วยตัวเองก็มีตัวเองเป็นหลักศักด okay. right ิ์สิทธิ์พอๆกับพระนั่นแหละคิดเลยว่านับแต่เนี้ยจนวันสุดท้ายและต่อยาวไปถึงชาติหน้าถ้ามีเหตุยั่วยุให้ฆ่ายั่วยุให้รักทรัพย์ยั่วยุให้ผิดกรรมยั่วยุให้โกหกยั่วยุให้เมาเหล้าหัวเด็ดตีนขาดยังไงเราก็ไม่เอาขอแค่ตั้งใจจริงๆเอาตามนี้จริงๆ ก็ได้ชื่อว่าอยู่กับศีลแล้วอยู่บนเส้นทางของคนรักศีลรักธรรมแล้วอย่าแค่แกล้งคิดไปงั้นๆก็แล้วกันโอ้ยพี่ชาติเนี้ยถ้ามีแรงยังไม่รู้จะอดใจได้หรือเปล่านี่จะขอให้ศีลเผื่อชาติหน้าเลยเหรอแล้วถ้าทำให้สติจเจริญขึ้นละ่ะอันเนี้ยฉันก็ไม่รู้รายละเอียดมากหรอกนะเท่าที่จำได้เนี่ยการทำสมาธิเก่งๆช่วยให้ไปถึงปรมโลกมีอายุยืนนาน ส่วนการเจริญสติเนี่ยช่วยให้ไปได้ถึงนิพพานอย่าถามนะว่านิพพานหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉั้นก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าสนใจจะหาหนังสือพระป่ามาอ่านให้ฟังก็ดีเหมือนกันพี่สงสัยว่ะวันนี้เกิดอะไรทำไมถึงอยากรู้เรื่องรู้ราวของเขาขึ้นมาเนี่ยเมื่อคือนผมฝันนะพี่แปลกมากฝันว่าอะไรฝันว่าเถียงกับตัวเองนะพี่ เหนตัวเองแยกไปเป็นอีกคนมานั่งด่ากันเองทะเลาะ ก, กันเองจำได้ว่าอารมณ์แรงมากคุยคุยประมาณว่าเรื่องหลังความตายเนี่ยยังไม่ทันรู้อะไรจริงก็เชื่อเชื่อตามคนโบราณสมองนิ่มก็เท่ากับงมงายเหมือนควายเท่านั้นอีกคนสวนมาทันทีว่าและด่วนเชื่อเรื่องตายแล้วศูนตามคนหัวแข็งรุ่นใหม่ทัานที่ยังไม่มีวิธีพิสูจน์ชัดๆต่างจากงมงายแบบควายตรงไหนความรู้สึกก่อนตื่นมันอึ้งมากเลยพี่ ตึงที่สุดในชีวิตจนเดี๋ยวนี้ก็ยังงงๆอยู่เออสงสัยแกนี่มีบุญวะมีบุญก็ไม่ต้องตายเร็วสิพี่คำว่าบุญเนี่ยไม่ได้หมายถึงมีชีวิตอยู่นานๆเสมอไปอายุสั้นแต่บุญมาเตือนให้ไปดีก็ต้องนับว่ามีดีพอตัวแล้วพอผมคุยกับพี่วันก่อนเนี่ยก็นอนคิดนะว่าถ้าจะได้ชื่อว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องหลังความตายเขาเอาอะไรมาวัด เอาอะไรมาเป็นหลักฐานแบบวิทยาศาสตร์กันหลักฐา น, นไหนๆก็ไม่สามารถลบล้างความเชื่อส่วนตัวของแต่ละคนได้หรอกตรงข้ามความเชื่อต่างหากที่ทำให้คนเราพยายามสร้างหลักฐานต่างๆนาน า, นาขึ้นมาสนับสนุนตัวเองแล้วเรื่องหลังความตายพวกคนที่ไม่เชื่อเนี่ยเขาใช้ประสาทวิทยามาสนับสนุนความเชื่อของตัวเองกันยังไงล่ะพี่ก็ถ้าความเชื่อสั่งให้อยากพูดว่า ชาติหน้าไม่มีจริงอยู่ก่อนเป็นทุนพอศึกษาและค้นคว้าไปจะยิ่งพบว่าความต้องการอาหารความต้องการสืบพันธ์การเกิดอารมณ์ดิบๆหรือเกิดอารมณ์ที่ละเมียดตลอดจนเบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆมันอธิบายได้หมดหละว่ามีเหตุผลมาจากกายวิภาคหรือเป็นเรื่องของเคมีในสมองอย่างไรคนนั่สนสออิ s. <S ฟังดูจับต้องได้หาหลักฐานได้ด้วยช่วยให้เชื่อมันได้ว่าไม่ได้คิดเองเออเอง และอีกข้างละพี่คนที่เชื่อเนี่ยเขาว่ายังไงก็ถ้านักประสาทวิทยาคนไหนมีรากฐานความเชื่อทางศาสนาที่หนักแน่นอยู่ก่อนก็อาจอาศัยความรู้ทางระบบประสาทมาเป็นข้อสังเกตยืนยันความเชื่อว่ามีจิตวิญญาณอยู่เบื้องหลังการทำงานของสมองเช่นกระบวนการเคมีทางสมองไม่มีทางเริ่มต้นเองต้องมีบางสิ่งบงการอยู่อย่างจูๆอยากหันซ้ายหันขวาเนี่ย มันไม่ใช่เคมีในสมองสั่งแน่ๆไม่ใช่เซลล์อยากหันซ้ายหันขวาแน่ๆ แ, แต่ถ้าถามทางพุทธเราก็หายสงสัยเพราะตรงกับที่ท่านอธิบายไว้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นแหละยิ่งกว่านั้นนะการทำงานของสมองอยังอธิบายเรื่องของสังหรณ์ไม่ถูกทุกคนเนี่ยยอมรับว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับลางสังหรณ์เช่นบางรายเอใจอยากกลับบ้านอย่างรุนแรง ทั้งที่เป็นเวลาทำงานแต่พอกลับไปถึงก็พบคนในบ้านนอนสลบทเมือดอยู่หรือเกิดเหตุร้ายบางอย่างขึ้นจริงๆสังหรณ์ทำนองเนี้ยสอว่าต้องมีอะไรที่อยู่นอกเหนือเซลล์ประสาทมาสั่งไม่ใช่ว่ามีเซลล์แห่งความต้องการกลับบ้านหรือเซลล์สังหรณ์ว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายฝังอยู่ในประสาทสมองเออพี่ก็น่าคิดนะอย่างกรณีหมออีแบนที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ย นั่นน่ะเดิมทีไม่ใช่แค่ไม่เชื่อนะแต่เป็นนักต่อต้านหัวแข็งเลยทีเดียวเราทํางานกับคนไข้มานานสรุปให้คนไข้ฟังมานักต่อ น, นักว่าประสบการณ์เฉียดตายที่เหมือนไปพบเจอนรกสวรรค์เนี่ยมันคือการเล่นกลของสมองเท่านั้นพอเจอเข้ากับตัวเองถึงกับสะอึกย้ายข้างเลยจากขัดค้านหัวชนฝากลายเป็นเดินสายเผยแพร่ความจริงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายไปซะหนิ สรุปคือความเชื่อสำคัญกว่าหลักฐานอย่างนั้นใช่ไหมพี่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าความเชื่อของตัวเองนั่นแหละคือหลักฐานแต่ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ขึ้นกับความเชื่อหรือหลักฐานในไหนทั้งนั้นความจริงเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่สนใจหรอกว่ามนุษย์ค้นพบร่องรอยหลักฐานอะไรบ้างทึกทักอะไรบ้างแล้วเราจะเชื่ออะไรได้ล่ะพี่ความรู้สึกชัดเจนบางอย่างเนี่ยที่เผื่อให้เราเห็นความมีอยู่ของจิต ความผูกพันและพบชาติถ้าเรามองเข้ามาข้างในให้เห็นก็เหมือนจะมีหลักฐานติดตัวพวกเราแต่อ้อนแต่ออกอยู่แล้วเหมือนกันเช่นยังไงอ่ะลองอย่างนี้เป็นไงฉันอยากพูดมานานละแต่กลัวแกจะเห็นเป็นเรื่องตลกตอนแกห้าหกขวบเนี่ยฉันใจร้ายขึ้นมายังไงไม่รู้ชอบไปพูดหลอกแกหลายครั้งว่าแกไม่ใช่ลูกพ่อแม่พ่อแม่เก็บมาเลี้ยงเพราะเห็นเป็นเด็กขอทานน่าสงสารออจำได้จำได้พี่ แต่ถ้าพี่ไม่พูดเนี่ยผมก็ลืมมันไปแล้วนะฉันก็ไม่ได้จําสิ่งที่ฉันทําลงไปตอนนั้นยังเป็นแค่เด็กไม่รู้จักคิดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ต่อมาเนี่ยฉันรู้จักแม่แม่เรียกไปดุว่าหลอกน้องอย่างเนี้ยน้องเสียใจมากนะแอบไปนั่งหลบหน้าหลบตาร้องไห้อยู่คนเดียวที่เรือนคนใช้พอแม่ไปตามตัวก็ไม่ยอมกลับและถามแม่ว่าตัวเองเป็นลูกขอทานใช่ไหมนั่นแหละที่ฉันจํา นึกกีทีก็สงสารรู้สึกเสียใจมาตลอดอยากขอโทษแกมากช่างมันเถอะพี่เรื่องเด็กๆ ก, กะโล ก, กะลาพอแม่อธิบายความจริงเอารูปตอนผมเกิดมาให้ดูผมก็หายเศร้าแล้วในส่วนที่ผมจำจริงๆเน่พี่เป็นพี่ชายที่ดีเสียสละอะไรให้ผมเยอะแยะและการที่พี่เข้าทีมชาติได้เนี่ยพี่ไม่รู้หรอกว่าผมภูมิใจขนาดไหนเออแต่ยังไงฉันก็อยากขอโทษแกวะ่ะ อยากพูดมานานแต่พูดไม่ออกตอนนี้ได้จังหวะละผมยกโทษนะแล้วขอบคุณพี่ด้วยที่ช่วยให้ผมรู้จักคิดได้มาตลอดอืมขอบใจนี่ทำให้พี่โล่งอกได้จริงๆนะเนี่ยถ้าชาติหน้ามีจริงเนะี่ะผมก็อยากเป็นน้องของพี่อีกนะใจตรงกันนั่นแหละพี่ก็อยากเป็นพี่ของแกอีกลองดูใจแกตอนนี้นะนี่ก็ตัวอย่างของความรู้สึกที่เผืให้เห็นการมีอยู่ของจิตและภพภูมิ ถ้าไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าก็คงเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นเองไม่ได้หรอกและความผูกพันเป็นพี่เป็นน้องกันระหว่างเราก็คือกรรมแบบพี่แบบน้องที่ทำร่วมกันมาไม่ใช่แค่เพราะออกมาจากท้องเดียวกันเสียดายจังที่จะไม่ได้มีโอกาสเจริญรอยตามพี่บ้างการตายเนี่ยเป็นจุดจบของโอกาสจริงๆนะพี่ถ้าแกไม่ถูกล็อกติดอยู่กับคาว่าตายก็อาจมีสิทธิ์เห็นว่าเนี่ย คือโอกาสใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงต่างหากรู้ไว้เถอะแกะกำลังมีโอกาสดีอย่าเสียมันไปเพียงเพราะงงมงายเชื่อเรื่องตายแล้วสูญอยู่เลย